Book ส98 8ป0สันทานซ้อนสันทาน o n j u n t i o n i การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปทริปนี้ก็สนุกแต่เหนื่อยเกินไปทริปนี้ก็สนุต รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปทั่นเกินไปโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปเขงาต่งนรมอ่รงงไรงม่ก็จ่งเกไโแมอย่จรเนแอก็ตเกนไปม่สก็เนไอ่างเไรงมอู่ไ เขามาวันนี้ตอนคำ่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า Han en ften, eller เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม Han en os, eller เาัอเอ่พ่เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรมเักบเราหอ็พัท่งเาอเาอ่พเอู่เอพทงแรมาพัเาอังแาษกาอังเกเท่แรมเาอบาอังกอยกเองแรก เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในบบ ล, ออออลอนดอนเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษเขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยท่นไ ม, ม่ใช่แค่โตังข้เกีอ เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยไม่ได้ษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศอีกด้วยเไม่ได้มนเท่นั้แ่งดังเปียนนกยแารนเนแต่ย i งพู n ภาษาฝรกด้ว ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอล์และแซมบา้าผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบละัลเล่นไม่สยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นโโดยด der, ิ่งขรุขระทำงายิ่งเร็วเท่าไ่ก็จะเสร็จเร็วเท่านั้น